บอกเราได้ยินเสียงเสนียร้องไหมมันร้องขยันนะเกินร้องเอาจิงเอาจังจริงเมื่อวานไงพอแล้วมันฝนมันกคงจะตกงฝนคงจะตกยืดเยะนะื้อน่ะคงจะตกยาวนานแต่รู้สึกว่าวันนี้ระวังระวังหน้าผู้ใดหลวงพ่อไปบินทาบาทกัรู้สึกว่าขี้ตะไคร้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 ผู้สูงอายุแต่ไม่ชอบฟังใครนะผู้สูงอายุเนะ่ยว่าตัวเองเคยผ่านเคยเก่งมาแล้วพอเดินไปเท่านั้นมันปัดเดียวเท่านั้นแนะ่ละรองเท้ามันเอาไม่อยู่พอรองเท้าไม่อยู่เท่านั้นนะ่ะหงายหลังฮนะถ้าหงายหลังนะไม่กระโ o k e แขนแลน้วท่านีนะถ้าเอาศอกลงไปกับท่อนบนนะ ถ้เอามือลงเงินนะั่นะข้อมือนะถ้าหากว่าไม่ค้ำไว้กับหัวกระแทกอะไรเป็นอมาพึกอมาพาดเ ช, นะช้นเลือดแตกเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะระมัดระวังเต็มที่แล้วก็มันสุดวิสัยถ้าสุดวิสัยแล้วก็จะทำยังไงได้นะเราอยู่กุฏิเราก็ต้องมาสาลา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 แต่หลวงพ่อเนี่ยกลัวหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อพูดใหฟังทั้งนี้ทั้งนั้นกันเนยลยหลวงพ่อได้สังเกตตัวเองจึงออกมาพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังสังเกตตัวเองก่อนโอ้ท่าหากว่าหกล้มลงไปนี่ทำยังไงในขณะดที่เดินบางคนก็ชอบหยิบนน้นหยิบนี้อ่านหนังสือไปบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อจริงไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น การเดินต้องพยายามเดินให้มีสติในการเดินไปถึงที่แล้วังค่อยจะทำอะไรนั่งค่อยทำนะำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าฝนพวกเราอยู่ในป่าแล้วก็บางทีเราอยู่ในกุฏิชั้นล่างมันติดกับดินตัวนี้ให้ระมัดระวังเรื่องงูพิษ วนันเมื่อก่อนลุงพ่อได้เห็นข่าววางูนั่นแหะงูสามเหลี่ยมนะบ้านเราแต่ภาษาทางภาคกลางเขาอีกเรียกว่างูสามเหลี่ยมบ้านเราเรียกว่างูทําทา น, นงูทําทานคือสีดําสีขาวสีดสํา ส, ดสีขาวอันนี้งูจะนิชอบไปกลางคืนหากินกลางคืนกลางวันจะไม่ค่อยออกถ้าไม่จาเป็น ถ้าใครเห็นงูงูทาทานกลางวันเนี่ยแปลว่าพวกนั้นต้องมีเคาะมีเข็นคนโบราณเขาถือถึงขนาดนั่นแหละแต่งูตัวนี้ชอบไปกลางคืนแต่ถ้าว่าเราเห็นแสงไฟเราเห็นเราฉายไฟฉายไปเนี่ยเราจะเห็นสีขาวสีดำเห็นได้ไกลงูตัวนี้เห็นได้ไกลไ ม, ไม่ไม่ไม่กลแต่ว่าพิษ ร้ายแรงมากที่หลวงพ่อพูดได้ทราบข่าวนัน่นกันน่ะพอกลางคืนมางงูมันหาไปออกไปหากินน่ะมันเข้าไปในบ้านะคงอย่าบ้านเตี้ยมพอเห็นผ้าหม่มมันก็มุดเข้าไปในผ้าหม่มเด็กมันก็ไม่ได้สังเกตเด็กเข้าไปนอนเ่ะมังงูตัวนั้นเลยกัดกัดเด็กอเลยตาย เป็นเรื่องเป็นเล่าแต่กระนูงูตอนนั้นก็ใหญ่พอสมควรนะที่เขาถ่ายรูปไม้ดูเท่ากับกระบอกไฟฉายอะยาวเป็นวาสถ้าเป็นกระบอกไฟฉายนี่แหละที่พูดทางนี้ให้ทางนี้หาฝังไม่ให้กลัวแต่ให้ระวังเวลาเราจะออกจากที่พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุฏิชั้นล่างเวลาจะออกจากกุฏิ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 เสือเพลไม่ได้สนใจใส่ใจเหมือนกับเราอยู่ในเมืองมันก็ไม่ได้นะพเพราะอย่เราอยู่ในปา่าภัยที่เกิดจากปา่าภัยที่เกิดจากธรรมชาติในปา่าเนี่ยมันมีมากเราก็ต้องะ ร, ระมัดระวังพวกอสารพิษแต่หลวงพ่อน่ไม่กลัวหรอกหลวงพ่อทนี่ยที่ผ่า น, านมาท้าไม่ใช่กรรมเก่าจริงๆเนี่ย คงจะอพอหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อสังเกตนะจะเดินไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหน เ, เป็นเว็นเสียแต่พวกกูบาจะเปิดให้มันเข้าแต่ตามลำพังของหลวงพ่อนะ่ยหลวงพ่อระวังนะตั้งแต่ไหนเป็นตั้งแต่เด็กมาหลวงพ่ออยู่ที่ภูผาป่าไม้มาตั้งแต่เด็กอายุ11ปนะีอยู่ในป่า อยู่ที่ภูเจาก่อนดูป่าทั้งนั้นเลยนะไอตั้งแต่เกิดมาไอตั้งแต่บวชเข้ามาชีวิตปลานะแต่ก็ยังไม่เคยตะขาบยังไม่เคยกัดนะแต่ย้อนหลังไปนี่นะแต่อนาคตเนี่ยไม่รับรองเหมือนกันอนาคตนะแต่ย้อนหลังเนี่ยตะขาบเนี่ยยังไม่รู้ไม่ลู้พิษตะขาบเนี่ยเป็นยังไงเพราะงั้นแต่แต่ว่าถึงยังไงก็ไม่อยากจะไม่อยากจะลองเหมือนกันนะเขาบอกมันปวดมากนะ เนี่ยตะขาบแต่แมลงป่องนะเออเคยมีอยู่อบางทีเดินไปเ อ, อไปก็ไปเหยียบมันเข้าแมาลงป่องเนี่ยโดนหลายครั้งอแต่จําจได้ก็ไม่ต่ากว่าหกครั้งแต่งูหนึ่งแต่สมัยเป็นเด็กเคยมีอยู่แต่เป็นงูเขียวงูเขียวตุกแก่ฮะงูเขียวที่ไม่มีพิษ อ, อมันก็ยุ่มสิ หลังฝาฝามือก็เท่านั้นแหละจากนั้นก็ไม่เคยละมัดระวังเรื่องพิษรพิษนะแต่ผู้เจ้ากนะ้อเยอะนะงูนะขนาดเอาตั้งสายบาดไว้เนะี่ยสายบาดไว้วเอาผ้าอาบน้ำปิดข้างบนสายบาดมันยังเข้าไปกดอยู่ในนั้นอนะ่ะกดดูหลังฝาบาดนะ เพรานั้นหลวงปูล่ลาเนี่ยท่านํำชับมากเลยไม่ให้เอาผ้าพับพับเสร็จแล้วก็ต้องเอ า, เอาขึ้นไปตากไว้บนลาวอย่าไปพาดไว้หลังบาดมันรู้ไม่รู้ ก, กี่ครั้งมันกันเพราะนั้นชีวิตอยู่ในป่าของผู้ที่อยู่ในป่าต้องรามัดตะวังเแต่ในวัดของเราดีพอหลวงพ่อทำมุงลวด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 มันดุย่ยเออแล้วก็เป็นรูลงมากุฎิบางหลังอาจจะมีอย่างนั้นแต่ทีไยังไงก็ถ้ามันมีอย่างนั้นเนียช่วยๆกันดูนะกูบาทั้งหลายนะนยหากระเบื้องตีปิดขึ้นไปเลยไม่ต้องรื้อตีปิดขึ้นไปเลยปิดรูเก่านะปิดทั้งแผ่นเลยก็ได้เราไม่ต้องคิดความสวยงามหรอก ความปลอดภัยนั่นนะดีที่สุดบางคนทำไม่เป็นหรือออกกว่าจะทำได้เสียหายอันนี้เราเปิดกันไปเลยตีตะปูงัดเข้าไปเลยจบแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนด้วยข้างบนมันรั่วที่ตรงไหนอย่างไรช่วยๆกันดนะูเขาสร้างศาลาสร้างกุฏิทั้งหลังให้เราอยู่เราสร้างได้แต่เราเข้าไปอยู่นะั ดูและความปลอดภัยซ่อมเท่านั้นก็ยังไม่ได้แสดงว่าเราแย่มากเหมือนกับเราไม่ไม่ใช่คนสติปัญญาของเราไปไหนเหมือนกับลิงลิงนกข ม, มิ้นมันดูถูกกลิงนพอเห็นกลิงมาอยู่ใกล้รังของตัวเองนกข ม, มิ้นโผล่หัวออกมาจากรัง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 มนุษย์เขาเขามีบ้านอยู่แต่ท่านทําไมเหมือนกันกับมนุษย์แต่ทําไมไม่สร้างบ้านอยู่เหมือนมนุษย์อลิงเกเรตัวนั้นก็บอกว่านกกริ้นเธ อ, อยามาสอนข้าข้าเหมือนกับมนุษย์ก็จริงอยู่แต่ข้าไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์ออแต่มีแต่นี่แหละ อ, อย่ามาสอนข้าก็แล้วกัน เดี๋ยวข้าจะขยี้ลังแก่เดี๋ยวนี้ลหละพอวาเธอได้กระโดดไปจะจับนกนกขมิ้นนกขมินก็รีบออกจากหลังจากนั้นกับปลิงตัวนั้นก็เลยขยำลังนกขมิ้ น, นโยนลงไปนี่แหละสมัยนั้นพระพุทธเจ้าหัวเนี่ย น, ะนกขมิ้นกับปลิงสรุปแล้วก็นกขมินก็สอน สอนคนสอนผิดที่ผิดทางเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปก็น่าตำหนกตำหนินกขมิ้นเหมือนกันแต่มันก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าลิงจะเกเรถึงขนาดนั้นออสอนนักเรงไะนักเรงมันไม่ยอมฟังไมันก็เลยเข้าไปกยลยงหนักหลังนกขมิน้นนกขมิ้นก็เลยเพ่นหนีตากฝนเหมือนกระลิงเลยทีนี้นั่นะ อันนี้ก็เหมือนกันนะเราเป็นพระทั้งองค์ตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็ น, น่าจะดูได้ยจะให้เหมือนกระลิงกรลิงเพราะมันมันก็ยอมรับว่ามันไม่มีหัวมันไม่มีปัญญาเนื้อทุกอย่างค่าเนี่ยคล้ายกับมนุษย์จริงอยู่แต่ค่าเนี่ยไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์นะมันก็ยอมรับอยู่ยอมรับแต่มันโง่อยู่อันนี้เราเป็นพระต้องดู กุติถ้าทําเองไม่ได้ก็ครูบามีเรียกครูบาไปช่วยกันดูแต่ครูบาในวัดทําไม่ได้ช่างมีเรียกช่างไปดูมันมีหลายขั้นตอนแต่ถ้าไม่มีช่างนี่มลหลวงพ่อไปดูก็ได้หลวงพ่อครับกุติหลังนั้นหาคนไปทําไม่ได้ครับผมอยู่ไม่ได้ครับบอกมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปดูให้ หลวงพ่อสร้างทางหลังทำทางหลังยังทําได้เพราะฉะนั้นพวกเรานะจะช่วยกันดูและอีกอย่างนะเรื่องถังน้ำนะเมื่อกี้ในกระบอกท่านต่ําแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําฝนอยู่ตามกุดติต่างๆมีถังน้ําควรจะขึ้นไปทําความสะอาดล้างน้ํถาถังน้ำซะก็จะได้ใช้น้ําแต่ถังน้ําไหนที่มันเออมัน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 หลวงพ่อหลวงพ่อดื่มได้ทั้งนั้นนะเพออาราะเห็นไดพ่อน้ําฝนนี่ก็เหมือนกันนะน้ําฝนของพวกเราก็น่าจะช่ว ย, วยกันดูถังน้ําแต่รอบสลาเนี่เต็มหมดแล้วล่ะะถามถามหลวงพ่อใสใจนะเรื่องน้ำเลยนะเรื่องน้ําฝนนี่หลวงพ่อใส่ใจเป็นไงเรื่องน้ําะเรื่องถังน้ําเป็นยังไงหลวงพ่อใส่ใจเพราะเรื่องน้ําเป็นปัจจัยสําคัญ ถ้าว่าน้ำมันแห้งไม่มีน้ำฝนเอแต่ก็ลงทุนซื้อน้ำขวดเน่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมันหมดไปเท่าไหร่อย่างที่น้ำฝนไม่สะอาดแสนสะอาดเพอเผอสะอาดกว่าน้ำในขวดเขาอีกต่างหากอย่างที่หลวงพ่อได้ยินหมอท่านหนึ่งท่านพูดพออนะพออหม อ, อพอเขาอาจ น้ำใส่ขวดอพอออกมามันมีเชื้ออยู่ในนั้นเชื้อโรคพอไปตรวจเอ้าทําไมมันมีเชื้อโรคอยู่เลยขวดน้ําำพอที่ไหนได้มันน้ํามาจากไหนมันมาจากอท่อที่บอ่อบาดาลที่บอ่อบาดาลที่กุดเจาะบ่อบาดาลมันไปนติดหัวสวมอ่มเจ็ดติดท่อสุวมเขา่ะ พอน้ําส้วมก็เลยซึมซับเข้าไปในบ่อปลาดานนะพอบ่อปลาดานขึ้นมากันนะั่นอ่ะมันก็เลยน้ําก็ไม่สะอาดเลยวสินี่มันกรองกันไม่ดีเลยฝนที่สุดมันก็มีเชื้ออยู่ที่นั้นเชื้อโรคอยู่ที่นั่นเขาก็บอกตามไม่จริงถ้าเราอยู่ในชนบทอย่างนี้นะ่ะน้ําฝนเนี่ดีที่สุดครับหลวงพ่อเป็นเสียแต่เราอยู่ในเมืองแต่อยู่ในเมืองมีโรงงาน ถ้ามีโรงงานขึ้นแล้วก็มีท่อไอเสียท่อน้ำมันขึ้นไปในอากาศก็ทำให้มนลภาวะเป็นพิษอยู่ในเมืองถ้าอยู่ในชนน้ำบทอย่างน้โอ้ําฝนสะอาดที่สุดครับอันนี้ก็ฟังฟ ง, งเอาไว้เหมือนกันนะเก็บฟังเอาไว้เพราะว่าเราเราศึกษาทั้งหมดไม่ใช่เราหลับหูหลับตาต้องฟัง อหล่อพอในตระเี้นหลงพอให้แนวความคิดแนวหนึ่งวันนี้สำหรับการเป็นอยู่การดำร ง, งชีวิตเพื่อความปลอดภัย